พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบมหาสมัยสูตรสูตรว่าด้วยการประชุมใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนับป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัฒ์แควนสัตว์กะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปครั้งนั้นเทพชั้นสุทาว่าสีตนคิดว่าเทวดาจากสิบโลกธาตุประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ หน้าที่พวกตนจะไปเฝ้าและกล่าวคาถาคนละบทในสำนักพระผู้มีพระภาคคิดแล้วจึงไปปรากฏเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถากันคนละบทโดยใจความพันนาความประสงค์ที่มาความประพฤติชอบของพระสงฆ์และพันนาว่าผู้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะย่อมไม่ไปสู่อบายต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายตรัสเล่าว่าเทวดามาประชุมครั้งใหญ่แล้วตรัสประกาศชื่อของเทวดาเหล่านั้นโดยละเอียดหมายเหตุพระสูตรนี้แสดงหลักทางพระพุทธศาสนาว่าพุทธคือท่านผู้ตรัสรู้นั้นเป็นผู้สูงกว่าเทวดาทุกประเภทไม่ว่าเทวดาชั้นต่ำสุดหรือสูงสุดถึงชั้นพรหม ก็พากันนอบน้อมต่อพุทธะหรือพระพุทธเจ้าเพราะพุทธะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงและเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาความรู้เท่าทันความจริงที่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้